ย่อแล้วก็มีการแนะแนววิธีปฏิบัติให้พวกเราจะเข้าใจการปฏิบัติธรรมมันมีวิธีการต่างๆไม่เหมือนกันบางคนก็แนะนวไปยังนึง่งบางคนก็แนะนวไปยังนึงคือแนะนวตามอุดมการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นคนได้รู้สิ่งไหนประจ๊งเอาสิ่งนั้นมาสอนเรว่างศาสนา ศาสนาไปว่าคำสอนศาสนาคือตัวเหล่านี่แหละตัวทุกคนนั่นแหละเป็นตัวศาสนาแล้วก็สอนก็สอนเข้าหูฮนะั้หูมันมีคนแล้วก็มีตาศาสนาจึงแป่ว่าคำสอนสอนให้เบิง้งเบิ้งให้เห็นหูให้ฟังฟังแล้วเนี่ยจำเอานําไปใช้นําไปปฏิบัติเป็นศพบมไม่มาจีสอนแล้วจีไป นิ่งนอนอยู่บ่อยเลยสอนเทพบุตอื่นโบได้สอนตัวเองกับโบเ ม, มาสอนคนอื่นนั้นสอนงานสอนตัวเองสอนยากข ม, มผิดนั้นเพื่อจิตวะยกมาเป็นครูเป็นอาจารย์คือเขาบบได้เข้าใจเขาเข้าใจตั้งแต่ว่าไปสอนคนอื่นตัวเขาโบาเคยสอนเคื่อลวงพ่อเคยเป็นอย่างไรเห็นคนอื่นทําผิดนี่ส่วยจับมาว่าโลยตัวเองทําผิดโบเคยว่าจาเชื่อ แต่ว่าพ่วมพิษเป็นครูแต่อย่าทําพิษพวกเรามาปฏิบัติที่นี่มีวิธีทําจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเว ล, ลาก็มีการนิ่งการนั่งนิ่งนั่นเป็นอุปสรรควิธีที่หลวงพ่อนำมาใส่บิดมือมันเป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติที่ว่าไม่ต้องนั่งนิ่งทําจังหวะมากๆ คนใหม่นี่ต้องทําจังหวะมากๆทำซาซานานๆใจพอดีมันรู้เล็กๆน้อยๆเดีย๋ ย, ยวรู้เรื่องรูปนามเ น, นี่ยปัดนี่ต้องเดินจมกรมให้มากการเดินจมกรมนั่นก็ดีแต่ว่ามันสู้การทําจังหวะไม่ได้คนใหม่การทําจังหวะต้องทํซาซาหินิ่มหรือทําอ่อนๆเองถ้าทําแรงทําไวๆมันกำลังหมดมันสติเขาหมดแหกแลง จะว่าทำตาขึ้ก่อนทำให้เป็นจังหวะเป็นจังหวะให้รู้สึกว่ามันหยุดมันนิ่งก็ให้รู้สึกมันไหวไปไหวมาก็ให้มันรู้สึกความรู้สึกมันก็ให้เกิดปัญญามันก็ให้เกิดญาณขึ้นโดยตามธรรมชาติอะันที่ความบุรรู้สึกนั้นมันเป็นสิ่งที่บุได้กำหนดตัวเองเรือมันเป็นไปเพราะอวิชชาเป็นไปเพราะความไม่รู้ ผมไม่รู้สึกตัวในคนว่าคือกับจัตัวหมู่มาเต้ใกล้ัวป่วยนี่มันบูรู้สึกใช่มันก็ไปเป็นมาเป็นกินเป็นนอนเป็นซื้อพันเป็นเหมือนกันใช่มันบูรู้สึกในขณะที่มันทํามันพูดมันคิดมันบูรู้สึกมันก็เฮ็ดไปเอาเห็นโยมาโยนวัดพอดีตัวหนึ่งนิดนึงมันแล่นไปเลยทันทีเหมืนว่ามันบูรู้สึกตัวนันใช่มันก็รู้รู้มันวิ่งเหมือนแล่นอย่น คนเราเป็นบุญนา้าที่เป็นอย่างไงคือว่าฝึกหัดดัดนิสัยฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขตัวเองบุญเป็นผู้ใดยกย่องที่ใดจีบไปว่าที่นั้นหมดเลยบุได้เบิ่งตัวเองการปฏิบัตินั้นจึงว่าพยายามฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองฝืนนิสัยหลวงพ่อเคยว่ากลางวันโบต้องนอนกลางวนโมนอนในแท่ลวงพยายามทําอยู่ตลอดเวลากลางคืนแท่นนอน พอสมควรก็นอนถ้าบนนอนแล้วมันบมได้มนไ่ได้ผักพอนต่างวันบนนอนแล้วกระโบชอบคุยหลวงพ่อเคยไว้ฝังในห้อยขมุกไปปฏิบัติธรรมพร้อมกันเป็นคนชอบพอกันพอได้ถึงเวลาก็มาอมเนี่ยมาคุยหลวก็หาทางนี้บบอยากพูดโบอยากพุยเพราะตัวเองมาปฏิบัติธรรมที่ไปเป็นคนชอบพูดชอบคุยมันโมได้เลยบ่ได้ทําหน้าที่ธุระของตัวเอง ที่ตัวเองไปชอบพูดชอบคุยแต่มันคิดไปคุณน้วใจนเรื่องของบทเห็นในขณะที่เราพูดเราคุยกันอยู่นนอีกซึ่งแบบว่าได้เบ่งตัวเราแล้วเป็นอย่างไ้ในว่าความรู้นั้นมันจึิงว่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะควมไม่รู้มันมีอยู่แล้วเนี้ยมันควมไม่รู้ตัวเราแต่มันรู้ไป่าอึ้งเพราะว่าอวิชาไปว่าผมไม่รู้อภิชาไปว่าไม่วิชาไปว่ารู้มันรู้ไปอย่างอืึ้งมันบ่ได้รู้ตัวอิชาไปว่ารู้ วิชานี่คือรอบตัวเขาอยาปล่อยปหลับเลยให้มันไปโลกคอื่นให้มันรู้อยู่ที่ตัวของเขานี่เคลื่อนไหวมันรู้เมื่อหลวงพ่อนี่ไปแล้วสองสามเพื่อนเราก็บูมมาเห็นว่าหลวงพ่อก็อยากพูดอยากคุยเราหลวงพ่ อ, อไปอย่างเดินมันตากแดดอยู่ตรงไหนต า, ากแดดเขาเดินอยู่คนย่างหลวงพ่อามาคุยเป็นอะไรนี้ใส่เราต้องรู้จักคํานึงคํานวณอยู่เสมอการปฏิบาาัติธรนม เราไปเข้าห้องน้ําห้องส้วมก็เป็นการปฏิบัติธรรมมาสั่นเขาเนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปส่งน้ําก็เป็นการปฏิบัติให้ว่าทุกอย่างเป็นการปฏิบัติธรรมะนะการปฏิบัติธรรมจริงบบได้กํรราหนดกดเกณฑ์สถานที่ใดๆทั้งหมดถ้าหากเขารู้จักวิธีปฏิบัติจริงอันแนวบโรู้จักวิธีนี่ก็เป็นนั่งโยมตัณฑ์เห็ุอยู่ทั้งเหว่าคิดไปใส่ร้อยอันขันยานบูรู้สึกตัวรู้น้อยอะ มันคิดอย่างไหรู้อันนั้นมันเป็นรู้เรื่องนึงแล้วได้หนึ่งอันเคลื่อนไหวอยู่นี่ให้มันรู้ในแทนเนี่ยมันคิดตามมันหายใจมันนึกมันคิดให้มันรู้เท่าทันเหตุการณ์อันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็าเงสอนทุกให้กําหนดรู้อันตัวทุกเนี่ตัวเคลื่อนตัวไหวมันเป็นตัวทุกเพิ่นสอนให้รู้ทุกอันนี้เนี่ยสมุทัยต้องละมันโมละมันคิดไปอันตัวสมุทัยกับตัวคิดกับไม่อันเดียวกันนั่นแหะ สมุทัยต้องละมักต้องเจริญคือเจริญก็คือทำนั่นแหละนี่รถทำให้แก้งเอาก็ะรูมาเข้ากระรูมาเข้ากับสมเข้าทีเล็กทีน้อยมันก็จะแกล้งจะรู้จักก้อนที่จะรู้จักต้องอาศัยปัญญาหรื อ, อยานเกิดขึ้นมันมียานเกิดขึ้นตามลําดับตามขั้นตอนของมันนะที่หลวงพ่อทำผมไม่เสียไปจำเออกจากคําพูดคนนั้นคนนี้คนนั้พอรู้เพราะจว่า ว่าวคือคนอื่นว่าวคือยังที่หลเพ่อว่าวคนอื่นนั้นคนรู้อย่างนั้นก็เอาเรื่องนั้นมาสอนเนี่ยพอเรได้รู้อย่างนั้นรู้เพราะการกระทําเมื่อการกระทําของตัวเองนี้เราก็รู้หลพอเองบอกว่าพวกเราถ้าหากปฏิบัติจริงๆจะต้องพยายามทําจริงๆอย่าเป็นคนหลอกตัวเองคนมันชอบหลอกตัวเองบอกว่าเพิ่์ว่าผมกันทุกคนหลอกตัวเอง การปฏิบัติธรรมต้องพยายามลดละมานะลดละทิฏฐิทิฏฐิเปรียวคมเห็นถ้าเห็นถูกต้องก็ดีถ้าเห็นผิดก็ผิดไปลดนยมานะมานะคือถือเนือ้อถึอตัวทิฏฐิเปรียวคมเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องมิตาทิฏฐิเห็นผิดเป็นว่างทิฏฐินคนเดียวนี่นี่ยังบ่นอยู่ไม่ถูกแต่ให้รู้จักรู้จักสิ่งที่ผิดมาแล้วต้องแก้ไข ถ้าหามาเราโบกแก้ไขผมสูงเขาแล้วก็อยู่ท่นแล้วอยู่ในท่ำทมันแล้วพอเคยว่าท่ำเนี่ยมันมืดมิดมานานแต่นานแล้วร้อยกับพันกันแล้วแต่ว่ามื่นปีแสนปีมันก็มืดอยู่ในท่ำคนใดอยู่ท่ำกอ็อยู่กันและวโบมีแสงสว่างจั่มขึ้นวันนี้เขารู้จักวิถีมีเทียนไข่หรือมีไม่คิดไฟอยู่ในมือของเราต่อยไม่คิดไฟเนะี่ยเป็นแสงไฟสุนทรภู่เทียนไ ข, แ, นไขแล้วเขาเด็กที่หนี้หัือนเด็ก ไฟมันสว่างขึ้นมาผมมืดมัอนโได้นี่จะเหาเลยนีน่เข้าไฟอนนี้สุเอาไปมาเบื้องหน้ามืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟไ ป, ไปข้างใต้มืดมาข้างหัวเอาไฟมาข้างหัวมืดมาข้างใตมันกลมมืดมันลมุมมันรอบตัวเขาอยู่อันนี้เสมอว่าเห่าพลิกมือเหารู้บางทีเปนโบรูเขาจะยู่นําุัวบรูอยู่วันนี้เขามีไม่คิดไฟมีเตียงไขใต้แล้วดือดอกมาเลยออกจากท่อม มาอยู่นอกถ้ำเองเมื่อมาอยู่นอกถ้ำเดี้ยงเขาไปในถ้ำก็เห็นถ้ำมันมืดถ้ำเขามาอยู่นอกที่แล้วเขามองไปไกลๆมันเห็นก็ว่ามันเป็นอะไรังว่าให้รู้จักไอ้แค่ธรรมะธรรมะโบเซป็นโ้หนังสือโบเป็นพัดไตเป็นดกหลวงพ่อเข้าใจเองกันโบเมนวัดว่าอะไรไม่ยั้งคือโตทุกคนนั่นแหละเป็นธรรมะทำดีเขาเอิ้นธรรมะทำซื่อเขาเอิ้นอาธรรมพูดดีเขาเอื้อพุทธธรรมะ พูดซื่อเขาว่าเป็นอกุศลคิดดีเขาว่าคิดธรรมะคิดซั่วเขาว่าเป็นอนันตเรียกกรรมเจียมว่าบาปบุญอัะไรทุกอย่างใจพวกนี้มันคิดก่อนพอดีรู้จากโอมันผิดแล้วเนี่ยมันทําผิดแล้วนสมมุติเขาโกธรนะโอ๊ยโกธแล้วมึงเมื่อหน้าจี๊ดกันไหนนึกที่ โ, โกธรต้องรักษาต้องพยายามวันยังให้ดูคนคิดเองผมโกรเนี่ยเป็นบอ่อเกิดของผมผิดขาดทั้งหมดเลย เรียกว่าความไม่รู้นั่นเนี่ยเป็นความติดพันทั้งหมดคนเอื้อนโมหะอาตาธรรมะบ้านผมบ้านหลวงพอดีว่าหลงหลงลืมคือลืมแล้วมันจะมีบ่หลงอย่างนีออ้ขเขามาปฏิบัติธรรมะกำลังเทิกมือขึ้นควบมือลงอย่างไซเอียงปวบก้มเงยเนี่ยคนเอื้นหลงอันนี้บางที่รู้บางที่ไม่รู้เอื้นหลงเดินจงกรมเดินไปเดินมากนเอื้นหลง บ้ไม่หลงเอาขอบไปวางไว้ที่นั้นเอาขอบไปวางไว้อันนั้นมันลงนอกตัวเขาหลงนี่คือลงตัวเขาลงชีวิตจิตใจเขานี่หรือมันเนี่ยบวกคิดจนจักเพื่อมันคลิกมันเคลื่อนมันไหวทันทีไปรู้ซื้อรู้เหมือนศาตร์ดุรัสตร์รู้วางเมื่อกี้เนสัยศาสต์ดรัสตร์มันก็แล่นเป็นเห็นตัวนึ่ห้องแล้วมันแล่นไปรถดเนี่ยมันรู้แต่มันบูรุษมันกิแล่นไปอยังมันบริสุทธิดเขานี่คือกัน เมื่อมันคิดไปเขาบบรูเขาเคลื่อนเาไหวเขาบบรูเขามากินข้าวแต่อาดน้ำเข้าห้องน้ำห้องวมเขารู้แก่เขาหักบนเลยดูเพราะยังสอนให้เขากำหนดรู้ให้รู้จริงๆนี่นะหลวงพ่อกล้ายืนยันรับรองคำพูดและวิธีอันนี้เพราะหลวงพ่อทำมาเลยมันรู้หลวงพ่อเคยทำยังอื่นมาแล้วทำมาตั้งแต่อายุติดอิกุพุทหลวงพ่อทาพุทโธ สัมอ า, าหังนับหนึ่งสองสามหองยุบอาณาปานาสติหลวงพมได้เจกลมสงบสงบแต่สงบแต่แท้วิธีสงบแบบไม่รู้นี่หลวพอคิดสอนให้วกเกินสามเดือนบกเกินสามสิบวันน้ํานะหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำได้นั่งสงบเงียบเป็นบุญญากานเข้าใจได้บยุยญาแต่บางคนมีปัญญามันมาคิดเขามันเลยบลุรูษขอคิด มันก็เลยพาให้เป็นผมคิดนึ่นคิดไปอันนั้นเป็การคิดเอาซื้อเียงการคาดคิดดนเดาเอาเองหนังซื้อกลัมาสูตรบวกอะไ่าเนี้ยยาเสื้อถืออะไรั่นโดยเขาเล่าลือกันมาย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมายาเสื้อถือโดยเหตุเขาทําตามกันมาย่าเสื้อถือโดยว่ามันมีอยู่ในตําราเลยยาเสื้อถืออั่นที่บุคคลว่านหน้าเสื้อถือสิบข้อคนสมบูร บอกให้เสื้อทั้งหมดหลวงพอ่อจึงบกเสื้อไปทั้งหมดเสือเส้อที่บนไหนเสื้อที่บนมันรูที่นี่ศรัทธามันเกิดขึ้นเพรมันรู้ี่ศรัทธาที่แรกนั่นจะต้องตั้งใจบกพูดบก ค, คุยนี่ศรัทธาที่แรกเรื่องให้ทานรักษาจิตนี่หลวงพอมีศรัทธาสรธาน้ำบ้านน้ำเมืองคนอ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายบอกก่ศรัทธาโตศรัทธาหลวงพ่อจริงๆรงเนี่ยหลวงพ่อมาเสือ้อทั้มันอยู่ เคลื่อนไหวรู้สึกตัวนี่โดยเพาเกิดสถานนี้แกยังไมเป็นรู้กระสัรือเปลมันเข้ากับหลักของพระเจ้าตรวนว่าให้มีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่เลยยืนเดินนั่งนอนให้รู้เท้าทันเหตุการนี้ต่อมาจะให้รู้สึกการเคลื่อนไหวเน่อริยาบถย่อย่ผู้เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้เราก็ต้องเป็นอย่างทำจากนั้นเมื่อทำตามนั้นได้มันเป็นอย่างมันก็รู้ได้แท้ ข้อของจริงมันมีอยู่ในเฮานี้เด้อย่าไปปกปิดของจริงเอาไว้เปิดเผยของจริงออกมาพคำว่าเปิดเผยเบโบม่นจิเอามือไปจับโบม่นจิเปิดเผยยังไงเปิดเผยกระหม่อมเสิ่งเฮาทำให้ตัวเฮาเปิดเผยเออกมาอย่าให้ผมคิดทูบครอบงำเอาไว้อย่าไปสร้างที่ปรากฏกายมันขึ้นมามันต้องสู้อย่างการส่งต่อสู้มาโบ น, น่ะเรื่องนี้เรื่องรูปน้ำเนี่หลวงพอ่อบโบเกินห้ามือแล้วปูหนาน ให้ไปไหนติดมืออย่างนั้นรู้ถ้าตั้งใจทําในลู้จริงๆโบต้องถามใครอีกด้วยนีนะหลวงพ่อหอลวงพ่อรู้ธรรมะอย่างนี้หลวงพ่อโบ่้องถามาเลยเดี๋ยวจะทาให้ใจิตใจเตี้ยนไปนี่ในเกณเดือนหนึ่งพูดทําจริงทําจัิงหนงเดือ น, นึงหรือสามเดือนนีึงลู้ในเกณฑ์ทำให้ใจิตใจเปลี่ยนแปลงสภาพหนึ่งเรียกว่าขั้นต้นจะทําให้มันถึงที่สุขของฟุกในหลวงพ่อคิดว่า ก็เกินสามปีถ้าเป็นคนจริงนะเป็นคนบูจริงสิบปีก็บรรลุเป็นแล้วงพอเคยท่าถ่ายคนมาบ่มากก็น้อยต้องรู้ถ้าหากอย่งบนนั้นเป็นก็ต้องจัดได้ปาะเดี๋ยวรู้จักเพราะว่าว่าให้ฟังพุกมือด้ตอนเช้าตอนเย็นเดี๋ยวนี้หลวงพ่อโเก็ได้มาเว่าหลวพ่อหลวงพ่อก็มีธุระหลวงพ่อที่ว่าตอนทำวัดเช้าวัดเย็นบ่มีเรื่องหลวงพ่อโบกไปมาเพราะหลวงพ่อมีธุรัะนอนธุระหลวงพ่อต้องนอน พอจิมาคาบมาไว้ในะมูนั้นมันลำบากว่าคือโอกาสเวลาไว้เมือ่อตื่นนิดหลวงพ่อไปเมืองเลยไปเมื อ, องหลวก็จักษ์มือนะคือได้ตักตื่นมาตับประจกักษมือนี่คือว่าเวลาพอสมควรเลยจะมาพูดนอนตื่นให้รู้จักยางนั่งกับต้องตีสี่หรือตีสามตีสองนอนตื่นเดียวกับขอแล้วอเอาเป็นนักปฏิบัติพอนี้นอนตื่นขึ้นพยายามลุกโลดสร้างจังหวะ ขันมันนั่งแล้วมันอยากนอนลุกมานยังหลุดออพอเห็นไหมนิสัยหรือวิธีการออกแก้ปัญหาบนบนนอนตื่นถ้านอนตื่นมันเงี้ยมันเคยตัวมันเป็นนิสัยมันเป็นสันดานเพราะคนมันมักนิสัยขี้เกียจอยู่แล้วสันดานขี้เกียจอยู่แล้วการนอนน้อยกินน้อยขุดน้อยจนหมดกินกับลดบนไม่ได้กินตามใจมักอยางไปกินไปบน ผิดเพราะจะในมันได้ใจของผมสัวมันได้ใจของกิเลสคนอื่นกิเลสอันนั้นกินมากนอนมากคุยมากคนอื่นกิเลสก็ยังสอนว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยให้รู้จักเวลาคนนี้รู้จักการรู้จักเวลาคนนี้โมเมติว่ารู้จักสวยๆเนี่รู้จั ก, จกให้รู้จักจริงๆรู้ธรรมะหลวงพ่อจริงว่าโบาเคยี่ไปถามคนนั้นคนนี้เพราะหนุ่มเขรู้จริงๆ รู้จริงแล้วกันรู้แจ้งน่ยเอิญว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้วิธีอันนี้บรมย์รู้อื่นแต่รู้ตัวเฮาตัวเฮามันมีอันใดตั้งแต่รู้จักมันหมึดอันใดรู้จักความมึดนั่นก็หมายถึงบรมีมันมันรู้ล่วงไปทั้งหมดมันรู้ล่วงไปเห็นเอิญว่าเป็สนาเกิดขึ้นงานนิพพสนงานสิบหกจะมีงานหกงานอันใดเอิญว่าอันนั้นก็ถูกตัณหาเอง งานนี้ปัชนาจริงๆนั่นหนึ่งลูกลูกนาสองลูกคงสิ้ลูกองสิ้นแล้วก็เลยเลิกละเรื่องโภชนาโมหะตัวขานี้ได้เลยและต่อไปจะเป็น ญ, ญาอีกขึ้นกัน็เลิกละผมยึดมัน่นคือมั่นในได้ต่อไปงานกันขึ้นเกิดรู้จักว่าสิ้นอยู่ใส่คืออันไหนเป็นสิ้นต่อไปก็รู้จั ก, จกเรื่องสมถะสมถะต่อไปก็รู้จั ก, จกเรื่องทมบาต ท, ทำกรรมนรกสวรรค์ หรือในผ่านนีจริงรู้จักเมื่อรู้จักเราตีกับพร้อมตัวกันลู้กันเดียวหลวงพอเคยพูดให้ฟังว่าขันห้าในรวมตัวกันเขาทั้งหมดรูปกะรวมเวทนากะรวมสัญญากะรวมสังขารกะรวมวิญญากรรวมรวมตัวเข้ากันหมดกับทียนร้เรียกว่าอสังเกิดับเกิดขึ้นที่นี้ถ้าอันนี้ยังว่ปรากฏเรื่องอย่างบนรู้แต่รู้บนอ่ังขานรู้ผมจะหมดสังเกตรู้ว่า ทำดีทั้ ง, งตัวหลวแก่หลวงพ่ออางหลวงพ่อรูที่สุกงคลรู้จักเมื่อหลวงพ่อมาเป็นเนี้ยที่แล้วหลวงพ่อรู้ที่สุคคสขมงคลรู้จกกนที่รู้นั่นคือมันมันพร้อมตัวกับความรู้จากเลว่าขันธ์ห้ารวมตัวกันทั้งหมดนะครรู้จักพระเจ้าตัดผมครั้งเดียวในอันนี้บมไม่ได้ไปตัดผมอยู่ถึงหัวคนที่มเตัดผมครั้งเดียวก็หมายถึงซิ่งที่มันเป็นกฎ ข, ของธรรมศาตร์มันเข้าสู่สภาพ รูปนี่เขาสู่สภาพตจิตใจเข้าสู่สภาพตรงไหนอืมอันนี้น่ะมันโบงยาวมันโบชันมันโบปรากฏขึ้นคนเ อ, เอิ้นขาเนเจ้าตัดผมครั้งเดียวแซ่เฮาเข้าใจว่าตัดผมจะแท้พุ่งโบงมันรู้จักมันจืดมันถอนมันจะบอเป็นสิ่งที่น่าสัจจันเป็นสิ่งที่เคาลบนับถือเป็นสิ่งที่โ บ, บ, บเคยมีมาก่อนเรื่องโมนิไงวะขาดคิดโบได้เรื่องทำมา มันต้องปฏิบัติให้มันเป็นเมื่อเมันว่าเป็นเนี่ยอยากจะเข้าใจว่าเจ้าของรูโบเมนมันรู้ซื่อ ๆ, ๆรููซื่อๆก็เป็นการคิดเอาที่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันต้องคิดอย่างนั้นมันผูกกันนะผูกแบบของพระเจ้าเขาจะไปตำหนิพระเจ้าแต่เขารู้วิธีใดต่อวิธีนั้นมาสอนหลวพอพูดนี่เพ่พูดเพื่อกลุ่มกลืนใจให้เราทุกคนเอาไปใส้ได้ใส้ได้จริงๆในชีวิตนี้เหละโบเมนซิวา ตายแล้วจึงจะเอาบสถ์เนคือถ้ำเนี่ยมันมืดมานานแล้วเขาต้องหาวิธีเอาไม่คิดไฟเทียนไขอยู่ในมือเขานี่มีแล้วอุปกรณ์ไม่คิดไฟเทียนไขคือยังคือรู้สึกตัวนั่นเนี่รู้สึกตัวน่ะเป็นไม่คิดไฟเ<ม>ทียนไขเขาคือมันคิดขเขารูปเขาพยายามจุดสองอย่างนึจงจุดแล้วปรสว่างขึ้นมาก็ยากนี่จากถ้ำเขาบวชเข้าไปอยู่ในถ้ำทถึงทีเข้าไปอยู่ในธถ้ำกับโบสบสให้มันมืดต่อไป ต้องรู้สึกตัวทันทีนี่เป็นวันการปฏิบัติธรรมาถ้าหากว่าเขาโบกออกจากทั้มแล้วก็อยู่มืดมิดอยู่นานแต่นอนตายไปก็จะอยู่ทังตื่นถ้าเขาออกจากทั้มไแล้วก็มืดมืดข่มมืดมืดขมืดแล้วจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างก็เป็นเนี่ยเขาจะไปสงสัยไงเนื่องจากมันโบยมืดแล้วก็ตสได้แล้วก็มีอยู่ทุกคนผู้หญิงก็คือกันผู้ชายก็คือการพระสงฆ์องค์เนงก็คือกัน คนสร้างใดกันทั้งมดเป็นมัดทุกคนหลวงพอรับรองจริงเพราะว่าหลวงพอรู้อย่างจริงโบมเเมนวาเทียวถือศาสนานั้นถือศาสนานีโบแมนคาว่าถือศาสนาก็หมายถึงตัวเขาในโลก็เดียวถ้ามีคนแล้วก็ต้องมีศาสน า, ศาถ้าไม่มีคนเมือ่อใดก็ไม่มีศาสนาเมื่อนั้นจริงใ ว, ว่าคนนี่มันต้องเกิอดอยู่ตลอดเวลามันต้องมีอย่างซีโบว่ายุคใดสมัยใดมันเป็นอย่างซีมีดีมีซั่วคนนะ่ะ ลักษณะสติปัญญาจะบ่เหมือนกันบางคนนั้นมีปัญญามากบางคนมีปัญญาน้อยหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนนะบางคนนะดีก็เขากรรมีบางคนเขาดีก็เขาก็รมีมันดีคนละแบบกันบางคนมีกําลังบางคนไม่มีกําลังบางคนมีปัญญาคือหมูทันเรียนหนังสือได้ปริญญามานี่แล้วส่วนปริญญาหลวงพอ่อโบได้หลวพ่อเก็บหนังสือโปรเซนอ่านหนังสือโปรเซน แต่เมื่อปฏิบัติธรรมะหลวงพ่ออ่านเป็นเตนตัวลาวกับตัวทำเดี๋ยวนี้ก็มาพยายามเปียนตัวไทยกับมุ่พยายามพูดพูดภาษากลางที่ว่าบุกไปขัดไปแนงออกิดทุกทูกแต่เรื่องวิธีปฏิบัติธรรมะกรรมาาฐานใหหนหลวงพ่อแถวคันถ้า ห, าห่างหลวงพ่อแพ้กับเจ็บเสมอตัวจริงๆให้แพ้มู่จจนหมด น, น, นั้นบ่มีหลวงพ่อคิดว่าบ่มีเลยเพราะหลวงพอมองเห็นสภาพคําพูดออกมาเลยเห็นทพูดยังไดหลวงพ่อสามารถที่จะฟังรูก พูดจริงพูดบูจริงหลวงพ่อลูเมื่ อ, อี่พูดลึกซึ้งคณะใดหลวงพ่อรู้จับบนได้มาพูดหลวงพ่อรู้เพราะหลวงพ่อรู้อย่างนั้นจริงๆนี้นะเรื่องเห็นสีแสงพีเทวดานระกสวรรค์อ้อยบอกพวกกับเป็นพวกกับบอหลวงพ่พ อ, พอทามาแล้วเรื่องจะไม่เห็นจริงแก่สิ่งที่เห็นนั้นเห็นจริงแก่สิ่งที่เห็นนั้นบุตรเสนของจริงมันจิตนของจริงอัง่างไรมันล่อกเข้าอะ่ะหลวงพ่อเคยว่าให้ฟังจิตนี้ก็กลับได้ไวสิน ดุจมีลานไขในต้นเราท่านวนบังคับคนให้จิตหมุนมานในทางข้างดีเพราะปล่อยให้จิตหมุนไปในทางข้างกี้ทําที่มีเขาจะมีจากนายหายสูนะทําที่มีคืออย่งทําที่มีกับคนรู้สึกคนนี้บันนี้มันหายสูนไปจากเขาทำํำทิศไปแล้วคมระยสำสัมบูรณ์เน่ยบันนี้ผมระยสำสมบูรณ์คือว่าจิตมันคิดเขาบุ้ อาทำแบบนีอ้อาทำมันตุบตูบร like ู Hebrew. Hebrew. ้ป็นตัวนี้เข้าคอบงาเข้าครอบงำจริงๆมันกระปี้นปอกหลอกเขามันหลอกตัวเขาแบบนี้ออกไปเห็นได้แบบนี้ไปเห็นได้เห็นจริงได้แบบนี้เป้ของเหเห็นนั่นบนนี้ของจริงมันชื่อจริงจะได้มันหลอกเขาหลวงพอย่างเดิเจมกรมเยอะเห็นเลขติดอยู่ฝาเบอเล้อพอนพอฝ่ามือยากให้มันเห็นตึมเหมือนเรเห็นแล้วของมันบนมี้ของจริงเนี่ยจิตใจมันหลอก หลวพ่อยังขึ้ว่าจะไปซื้อเลขคุณนี่เป็นเรื่องของโบจรเนี่ยมันหลอกได้คนผู้ใดมาว่าให้หลวงพ่อฟังโอ้คนนั้นอย่างโบจรผมคิดผมรู้โดยขอเรื่องนีมิตนะคำว่านีมิตที่หลวงพ่อว่าเนี่ยหมายถึงสิ่งที่สัญญาเรารู้นี่นีมิตเขาที่จับท่านจับนี่ยเลงไปว่าที่ไปจับอันนั้นอันน้นั่นอันนี้จับโดนคือเอาพลิกมือขึ้นน่ะรู้สึกตัวนั่นเปนนมิตมันพลิกตามมันรู้สึกด้วยว่านีมิตนีมิตเป็นเรื่องหมาย หมายจะไดยหมายให้เรามีสติรู้สึกจับอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันคิดมากกวเห็นกับรู้เนี่ยเป็นอนิมิติคือว่านีมิตนี่มันเป็นเครื่องหมายมันเป็นสัญญาอันนึงให้เขาเข้าใจว่านีมิตไปว่าเครื่องสัญญาเครื่องป้องกันตัววุแม้ว่านิมิตไปเห็นอนนาคนอันนั้นว่ฒเห็นใจตัวเองใจมันลอกเขาจิตใจมันนึกมันคิดเนี่ยมันลอกเขาถ้ามันลอกเขาได้ก็แสดงว่าเขานี่โบลูเขาโบรูทันโบลูทันเหตุการณ์ซึ่งเหล่านั้น มันก็ลอกเขาวิธีอธิบายให้เข้าใจคนว่าหลวพ่อเคยพูดให้ฟังหลวงพ่อเอามือเกี๊ยวผมผมยาวถอนออกมาหลวงพอเห็นหลักผมตัดผมครั้งเดียวมันจะเป็นอยู่คุณเมื่อทอนออกมาแล้วที่เอาลงหูเขามันบวมเหมือนกับนอ็อตนี่เขามาเกี่ยวออกมาแล้วเอาเหล็กสบายพู่มันพุ่มเกี่ยว น, อน็อตพุ่แหวนน็อตเข้ากันแล้วก็เข้าอยู่แต่มันบวสูดเข้ากันมันเองเครื่องดึงรูปหนึ่งบูมี แล้วมนีตำราเขามายกไว้ในอนัญตนะสิบสองตัวตาหูจมูกเลี้ยกายใจถายนอกภายในตัว่าถายอนัตนะถ่ายในหกถายนอกหกเขาเป็นอนัตนะสิบสองตัวเห็นแล้วปัยญาจะไปรู้ว่าเห็นว่าดีชั่วแต่หูฟังปัญญาไปรู้ว่าหูฟังม้วนเพาะเมาเสื่อมมันยังเจี่ยวมันยังบนได้ทํำลายพอดีมูลเขาเั็นกามูลเข้าไปเน้นแน่งเข้าไปกับบ่มีมูนกลับจักเถื่อ มันก็เลยยิ่งมุนก็ยิงแน่นที่บันนี้บันนี้มัามุนกลับมุนกลับแลมันก็หายตัวออกขายตัวออกดิ้นแลมันก็อยู่กันหมดได้อันนี้แสดงว่าบทต้องพูดถึงพญชนตะที่สองที่หลวงพ่อพูดพูดถึงลงจิตใจทีเดียวนี่แหะแม้มันจะพูดไปเสียก็มารวมอยู่ที่ใจตาเห็นมัก็ไปรวมที่ใจหูฟังเสียงก็ไปรวมที่ใจดังเฮานี้เดี๋ยวมันจะโม้มันรู้จักว่ามันเหม็นมันหอมมันก็ไปรวมที่ใจ โตจมูกโตตาโตหูเขาเนี่ยมันบูรูษตรงใจพุ่นมันบูรมันเป็นทางออกของจิตใจเพร่ะอยังเปียบไปมีจุมจ่มโพลจุ่มนึ่งมีหกหูมีเฮี้ยนอยู่ในหูตัวหนึ่งในหกหูนั่นแล้วจะเห็นยังไจงจึงจะจับเฮี้ยนนั้นได้ครับครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเลยเขาก็ต้องอุดมันห้าหูนั่นนะแล้วจะขุดไปตามไปอุดห้าหูแล้วมันออกหูเดียวนะั พอดีมันออกมาออกค้อนนื่เอาอย่างไปจอบอยู่ไปพกอยูันพอดีมันออกมาค้อนตีหัวรถเลยนี่อันนี้กับคมเดียวกันอย่างที่หลวงพรวานี่เนี่ยบ้ต้องไปตามมันหกหัเขาไปตามหกหูกับนานได้เถอะบางทีอาจิบุทึกก็ได้มันที่ขุดหูบ่มีโตก็ได้เป็นอันนี้ที่นำมาเลอยใฟังมันรวมอยู่บนเดียบพระจิวัล่านใดก็รวมอยู่บนเดียบนี่มถ้าใจไปดกทั้งแปดมื่นสี่พันพระมขันก็บรรลุอยู่นี่มา้ อย่างที่มีคนถามอย่างที่สมาธิสมาธิเนี่ยเราบูรุณพ่อบูรูษแต่คนสมาธิคือกรมตั้งใจนั่นเองตั้งใจมั่นทําการทํางานพูดคิดสมาธิอะไรผมไม่สมาธิจะเป็นนั่งอยู่ให้มันจะตัวแข็งนั้นหลวงพ่อทำมาแล้วเรื่องสมาธิตัวแข็งจริงหลวงพก้าได้ยืนยันรับรองสอนได้ไป น, นของจริงมันต้องกล้าได้มนคันท้ากล้าได้กาแสดงว่าของนั้นบูรุษ ที่มาเราให้ฟังตอนเตาเมื่อนี้ก็เห็นว่าสุขควรแล้วท้ที่สุดนี้อาตมาลรืผมพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตั้งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระานตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของของเราให้พวกเราได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในเหาเนี่ยทุกคนบริเวณถ้าห้ามยังไ่เป็นเดี่ยวนี้น่ะจวนจะหมดลมหายใจแน่นอนที่สุดหลวงพอกล้าได้ยังไงทุกคนต้องเป็นไม่เป็นไม่ได้ขอให้ทุกคนทุกคนจงได้พบได้เห็นเห่าในปัจจุบันนี้หรือว่ากําลังเคลื่อนตัวขึ้นไปนี้ให้ได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคน